พระกัวะโตอรหะโตสัมมาสัมบูธัสสะนะโมทัสสะพะกัวะโตอรหะโตสัมมาสัมบูธัสสะธาณังเทติสีลังลักขะติภาวนังะเวตวะเอกจรสังขจติ เอกโจโมขังกสตินิจสังสยยงอิมัธรมาปริยาญาตอโทสาทาญาสุปันเตยิสกจังธรรมโมโสกโปเตวันนี้ตั้งใจฟังนั่งเรียบร้อยไม่ต้องปนมมือก็ได้หรอว่ามันจะเมื่อย นั่งให้ใจเป็นสมาธิแล้วฟังไตรตองตามขบคิดพินิดพิจารณาโยนิโสมนติกาโลไปตามก็จะได้ความรู้เป็นวาสดสุดสังละพะเทปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ถ้าฟังไม่ด้วยดีละ่ะ <c> ก <oughs> ็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความลำคาญได้แต่ความง่วงเหงาเหงานอนไปเมือ่อยได้แต่เฮงมาทางนี้บอกเมื่อไรจะจบสตีน้อเมื่อยแล้วไปําลองนี่เพราะไม่ฟังด้วยดีนั่นเองจึงเกิดความลำคาญถ้าฟังด้วยดีล้วมันจะได้รับรับลดพัสรรม ดื่มดำพระสรรมสัพพะโสธรรมะรังชีนาติเมื่อได้ดื่มลดพระธรรมแล้วยอมชนะซึ่งลดทั้งหลายมันว่าอย่างนั้นนะเพราะยานั่นก็ต่างใจวังด้วยดีบางทีอาจจะเกิดปัญญาก็ได้ภาฏิิตที่ยกขึ้ น, นี่มันเกี่ยวกันกันกบทานบารมีของเราว่างเกี่ยวกับศีล บารมีของเราว่างเกี่ยวกับภาวนาของเราว่างทั้งสามอย่างนี้เป็นเครื่องขัดเป็นเครื่องเกาเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องล้างเป็นเครื่องทมความสะอาดของกิจใจกายว่าจใจใจก็จะสะอาดได้ถ้าเอาอธรรมะทั้งสามข้อนี้เข้ามาเป็นเครื่องขัดเครื่องเกาเครื่องชำระจริงจัง ส่วนเครื่องทำความสะอาดภายนอกอื่น เ, เป็นต้นว่าแฟบผงซักฟอกสบู่หรืออะไรเครื่องทำความสะอาดภายนอกไม่ได้ทำความสะอาดภายในหรอกถ้าภายในมันส ก, กรปรกแี่กินสบู่ลงไปแค่กินแฟบลงไปทำความสะอาดภายในคงจะไม่เข้าท่านะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นเครื่องชาระภายนอกอทําความสะอาดที่สกรปรกกังเกิดขึ้นในผาชนะบ้างในเสื้อผ้าอาบอนบ้างในที่อยู่ที่อาศัยทํามันสกรปรกมาก็าเอาของเหล่านั้นมาทําความสะอาดก็าอาจจะได้แต่ว่าของภายในคือความโลภความโกรธความหลงความรักความชัง ความยินร้ายยินดีดีใจเสียใจลองให้หัวเลาะอิจฉาดิทยาพยาบาทมันมีอยู่ในหัวใจมันสกรปรกอยู่ในหัวใจจะเอาสบู่ผงแฟบอะไรมาทำความสะอาดโอ้ยมันก็คงไม่ได้นะมันไม่เข้าคานเพราะอย่า น, านั่นเครื่องมืออันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ง่ายอ่าเป็นเครื่องชำระความสะอาด ภายในจิตใจให้ถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้สิ้นไปแห่งอาสวะได้ถ้าเอาทานังเทติมาประพฤติปฏิบัติอยู่บ่อยๆความเหนีทีเดียวมันจะเบาลงไปทีละน้อยละน้อยไม่หนาแน่นะไม่ถึงกับโลกโมโทสรรันไม่ถึงกับโค้งบ้านโค้งเมืองกันหรอก ถ้าทานังเทติอยู่เรื่อยๆกำจัดกิเลสได้ดีนักอันนี้ทานังเทติทานังเทติเนสมัยก่อนนอนครั้งพุทธกาล น, น้นมีผู้ยึดเอามาประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทีเดียวละเช่นมหาวจิกานางวิสาขามหาวจิกาเป็นตัวอย่าง จึดเตาทานังเทติมาประพฤติปฏิบัติไม่ขาดแต่ละวันเลยทําอยู่อย่างนั้นอไม่มีความะหนี่ทีเหนียวมาหัเหนียวแน่นมาห่วงแห็นมากั้นกลางจิตใจได้เลยได้ทําวันหนึ่งวันหนึ่งสบายใจมาก อ, าอิ่มอกอิ่มใจอยู่อย่างนั้นเพราะได้ไปทําแล้ววันไหนไม่ได้ไปทํา ก็ต ก, กิตตะขวงใจอยู่อย่างนั้นแหะนถ่านังเทติเมื่อบำเพ็ญให้เป็นนิสใสแล้วก็ติดสันดานได้สามารถขัดเกลาวความตณีที่เหนียวในหัวใจความเห็นแก่ตัวในหัวใจอาจจะหมดไปเลยคนที่เห็นแก่ตัวนี่ก็โลภโมโทสรรันติบุนเก็บคำกอบโคยโคงกิน ซึ่งกันละกันเพราะความโลภโมโทสันนั่นเองไม่คำจัดจิเลด้วยทานางเทตินั่นเอง่านรพุทธการก็มีนางวิสาขามห า, หาววชิกาเป็นตัวอย่าง น, นะจำไว้นอกกว่านั้นก็มีอนาถ บ, บินดีเศรษฐีเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆย่างจารละ สางวัดเคตวันมหาวิหารถวายพระพุทธจเจ้านายเชษนั้นเขาจะขายที่เอาเงินมาปูในสถานที่ตั้หมดก่อนอจึงจะขายง่ายถ้าไม่มีเงินถึงขนาดนั้นอย่ามาซื้อเลยหน้าทวิดีเศรษฐีก็โอเคโอเคจะเอาเท่าไหร่ เอาเงินเป็นเป็นเหรียญสมัยก่อนเป็นเหรียญเป็นเหรียญเรามาปูปู ป, ป, ปูในบริเวณวัดเขตะวันนะอะจนเต็มบริเวณวัดแล้วก็ให้นายเชษมารับเอาไปเงินทั้งหมดเนี่ยดินเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างมหาวิหารสร้างวัดวารามถวายพระบรมมรดเอะนายเชษก็รวยไปแต่ว่าขอ อขอฝากชื่อด้วยเด้อขอฝากชื่อไว้ในวัดนี่ไว้บ้างเด้อนีนนน่ถึงออกเงินไปแล้วยังมาขอฝากชื่ อ, ขอเขาเผาอยู่นี่คนขี้โรคอีกเลยนี่ก็ดะดาอจิงว่าเคตะวันเนอนานะทะบินดิอารามเเม่บินดิกะตะอารามเเม่ขอฝากเคตะวันไว้นายเชืมชื่อคนที่ขายที่ให้นะ ขอาฝากชื่อไว้จึงได้นามว่ า, าสาวิธีอย่างวิหารติเคตวเนวิหารติอานาถาบินดีกต ะ, ะอาราม เ, เป็น อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนารามของอาณาถาบินดีสร้างขึ้นนั้ น, นะที่บำเพ็ญกุศลครั้งแรกที่สุดในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีมากาเราไยก็มีนายเทพครับอาาถาบินดี นี่เป็นตัวอย่างแล้วพนางวิสาขาเหมาวุธิการนั่นก็สร้างวัดนั่นถวายพระพุทธเจ้ า, าเหมือนกัลนล่ะที่เมืองกรุงกรบินละพัดนันแน่มันมีหลายๆคนอยู่คนต้องการน้อการเพราะฉะนั้นการทำทานทานัางเทติมันมีประโยชน์มากสามารถขัดเกลาจิตใจ ที่มีความตีเหนียวแนนเหนียวแน่นหันวแนนหวแนผูกมัดรัดลึลหงหัวเอาจนไม่เก็บไม่จ่ายอะไรเลยหัวมากๆาหัวมากๆแล้วความโลภโมโทสันมันก็ใหญ่โตขึ้นมันไม่เบาไม่บางไปได้น ะ, ะจนถึงกับโลกเอาบ้านเอาเมืองของกันและกันก็ได้ โลภเอาทรัพย์สินเงินทองของกันแลากัโลภเอาไรเอานาเอาหัวเอาสวนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเลกเอาโดยตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมเอาทางอ้อมไม่ได้ก็พยายามจะเอาโดยตรงเลยจนไปกี้กันเอาเงินกันจนไปปล้นกันเอาเงินกันมันรู้อำนาจใจความโลภใจหรือ่า อ่แน่มันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวมากความโลภตัวนั่นเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวถ้าเกิดกับผัวเมียก็คงไม่ชอบถ้าเกิดจับกับเมียผัวก็คงไม่ชอบถ้าเกิดกับพ่อกับแม่ลูกเต้าทั้งหลายที่หวังพึ่งบาอาศัยก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกันถ้าเกิดกับญาติพี่น้องทั้งหลายถ้าเอาความเดนีทีเหนียวไปใช้กันแล้ว งจะไม่ชอบกันทั้งนั้นละทำให้แตกกันได้ให้แยกกันได้เจ้านายาแต่ดีทีเหนียวมากเกินไปบริวารก็ตีตัวออกห่างไม่อยากเข้าช่วยงานช่วยการละถ้ามีคกับ เ, เพื่อนกันจะหายกันเขาอาจจะกินแหน่งแข่งใจกันคนโลกโมดอันทะเลาะกันเพราะความโลภอย่างนี้ก็มี สมัยก่อนโน้นเขายกปญานาคอาปญานาคเป็นตัวอย่างอา้องนาคสองมหมานาคนั่นใจคันทั้งสองนน่ะแต่แต่ก่อนนะ่ะยกเอาตัวนาคเป็นตัวอย่างพญานาคอยู่น้องกระแสแสนทางกุนะ่ะน้องกระแสแสนทางโน่นนะ่ะตามนิทานนะเขาเล่ากันมาหรอกปรลัมปลาหรืออะไรผมไม่รู้เออ อผู้สหายคนหนึงสุโตธนรนาคครับกาลนาคหรืออะไรนั่นจะลอการคนหนึ่งไปเอาไปหาเนื้อหาปลามาได้เม่นได้เม่นตัวใหญ่ได้เม่ น, เ, ม น, เ, มนอเอามาแล้วก็มาแบ่งไปให้สหายแต่ว่าได้บางครังไม่มากเท่าไรตัวเม่นนะ เอมันตัวน้อ ย, อยแต่ว่าขนมันใหญ่อขนมันใหญ่แล้วเอาไปให้สหายดูมีละได้แม่นมาอแต่ว่าอไม่อะไรม า, ากกว่าเอาเนื้อแม่นเนี่ยมากกว่าต่างหากาทาไมเอามาน้อยเดียวนะทาไมเอามาน้อยเดียวเหลียวบางขนของมันอะมันบาเม็นของหน่อยนะนะ ผู้ดอยจังศีธรเป็นผู้เป็นดอยขุนจังสีทอขนของมันอ่ะแต่ขนหมูขนหนูขนอะไรมันขนน้อ ย, อยตัวมันยังใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าแม่นเนี่ยขนมันขนาดนี้มันจะตัวขนาดไหนก็เลยทะเลาะกันเลยก็ ก, กเรื่องเกิดเรื่องผิดกันอมอลงล้อยกันแล้ว มันจะนีทีเหนียวมันได้ของมามันให้มาน้อยๆก็เลยทะเละวิวาดกันอย่างหนักไีเดียวละเลยข้อเรื่องเกิดเรื่องผิดกันสมัยนั้นสองข้พันธนั่งหบต่อตีสีมากจนว่าน้องกระแสแสนทางเป็นต้นมน้ำคนลูกกรุนหนักมาก ค, ค, คุดคุนคุดคุดคนคนปุ๋งวะนะจนว่าน้ำแตกปุงฝ่าเรงโล่เหมง เข่งเข ง, งดังฟังเพื่อนเกลือนค้องเยาะบงฟ้องตีพ ง, ง, ง, งเป็นผงหมอกออนจนว่านา้ำขาดก่อนเป็นขอด ล, ลังไหลวะเราสองก็ะเลีวกันได้เกตปีเป็นขลาดเนีม้ยมันน้อยๆแต่พักลบแล้วลุกลกกันมาอยู่อย่างนั่นเกตปีพอดีมันแล้งเกตปีปลายเกตเดือนแล้ววะเจึงคอยหม้อระนาดมเมี่ยนตายสองข้างห่างกัน ชื่อหมาหนาักนั่นใจกันทั้งสองอายหนึ่งใจไปเป็นไปทังแ ม, ม่น้นำของแม่น้ำของเอ่อคนน้ำของแม่สะข้องแสนทางอายนึงไปทั้งทางเป็นทั้งน้ํานานเพืนะ่อนๆนี่เป็นนิทานมาอย่างนี้ทะเลาะ ก, กันเพราะความจะนีทีเหนียวนั่นเองเกิดลุกลบกันอยู่ทุกวันนี้เอาน้ําของ กับน้ำน้ําน่ น, น, นไปใส่ขวดเดียวระเบิดกันเลยนะตมเลยนะมันยังทะเลาะกันอยู่เท่าทุกวันนี้นะเอาน้ําโขงกับน้ําน่านไปใส่ในองค์เดียวกันขวดเดียวกันทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นะระเบิดแตกเลยขวดนั่นเป็นอย่างนี้เขาเล่ากันต่อมาเราก็ตั๋วอีกต่อไปตัวให้ฟังอีกต่อไปแ็่จริงประการใดไปทดสอบเราเองนะเพราะอย่านั้น การชำระจิตชำระใจด้วยการทำทานนีจริงเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะไม่มีใครชอบอบริวารของเราเขาก็ไม่ชอบถ้าเราเป็นหัวหน้าบริหารงานอยู่ลูกน้องทั้งหลายถ้าเจ้านายหรือหัวหน้าผู้จ้างผู้วานมากกันหนีทีเหนียวไม่เผื่อไม่แพ้ แล้วบริวารทั้งหลายก็ตีตัวออกห่างไม่อยากใกล้แล้วไม่อยากมารับใช้แล้วแม้ลูกเยขยก็อาจจะไม่คุ้นใจไม่ไหวเนื้อเชื่อใจกับพ่อตาแม่ยายถ้าพ่อตาแม่ยายกี่แตนีทีเหนียวาสามีภรรยาก็ยิ่งเห็นกันได้ชัดถ้าสามีเป็นคนแตนีทีเหนียวมีอะไรก็ไม่แบ่งไม่ปันให้ครับอ ภรรยาเลยอย่างเงี้ยเก็บกรรมอย่างเดียวออไม่แบ่งไม่ปันไม่สงเคราะห์สงหาไม่ซื้อเครื่องประดับประดาอะไรให้เลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาจนแก่ตาแล้วก็มไม่ได้ของผูกใจสักอย่างเลยเนยี่ยภรรยาสามีเป็นคนตันี้ใจก็จืดจางเหยไปถึงรักกันมากๆก็อาจจะจืดจางเหยืไป ถ้าภรรยาจะหนีทีเหนียวสามีเป็นคนหามาไม่สงข้อสงหาหามาแล้วหาให้เก็บเอาให้เก็บแต่วรรยาไม่ได้เคยส่งคืนให้สามีเลยเก็บหายเยียบถามหาว่าหมดแล้วอะไรสํานองนี้มันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นความกินแหนงแข่งไกลก็มีขึ้นนี่ความเปนหนีทีเหนียวถึงว่าเป็นกิเลสอย่างยาบหยาบมากๆ ไม่มีใครชอบใจเลยจะว่าแต่คนเลยแม้แต่หมาหรือแมวที่เลี้ยงไว้ถ้าเจ้าของตันีทีเหนียวไม่แบ่งไม่ปันให้กินดิ่มล้ะมันไม่อยู่เลยนะมันไปเลยนะอวัวควายก็เหมือนกันถ้าเจ้าของไม่สงเพราะสงหาแล้ะมันไม่เข้าก้อเข้าแรงละไม่เข้าข้อเข้าแรงละมันไม่มาละพอเจ้าของไม่ดูไม่แล ไอ้หิ่มน้ําทาลานมีเฟืองก็ไม่ไอ้กินมีหญ้าก็ไม่เอามาให้กินทั้งทีเลยไม่รู้ว่าจะไปทำไมไปบ้านทำไมหนี้ะเลิดเปิดเปิมไปหากินนําป่าทำอะไรไปพอดีแม่แต่วัวได้ควายมันก็ไม่ชอบเว้ยสารเดลสานมันก็ไม่ชอบความจป็นีทีเหนียวเน้ไม่จับไม่จ่ายไม่แบ่งไม่ปันเนี่ยไม่ดีตอนไยะางนั่น พระพุเจ้าเห็นว่ากิเลสชนิดนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบมากไม่มีใครชอบเลยท่านจึงบัญญัติขอ้อ <c oughs> นั่นไว้ให้ทานังเทติไว้ให้ให้มีการสงเคราะห์สงหาเป็นกันละกันเสียสลอาอยาจันดียาทีเหนียวอย่าเหนียวแน่นอย่าห่วงแหนให้รูจ้ จ, จับจับจับจ่ายรู้จับช่วยเหลือเจือจูน เพื่อนบ้านญาติามิตรทั้งหลายเท่าที่มันเีนัละลถ้าเป็นคนขว่วงคนขวางบริวารทั้งหลายก็ไว้เนื้อเชื่อใจมีจิตาจิการงานอะไรเกิดขึ้นก็แอบรับอาสามาช่วยเหลือทุกอย่างเลยไม่ให้ลำบากละเ้าไปเจ้าเองอเพราะว่าเป็นคนใจขว่วงใจขวางสามารถผูกมัดนักดึงใ จ, ใจิตใจ เพื่อนหรือว่าบริวารไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นเครื่องปลุกมัดอย่างดีเพราะฉะนั้นทานังเทตินี่มีความหมายมากมีความหมายและก็เป็นเครื่องชำระกิเลสให้มันเบาบางลงไปจากจิตจากใจได้จริงๆเพรพะฉะนั้นจงบำเพ็ญทานกันไปเถิดเหมือนนังพวกเราทั้งหลายได้เชิญชวนกันมา ตั้งกองการมหากุศลขึ้นเป็นกรถินสามเฆีเหล่านี้การทําอย่างนี้ทําถูกต้องคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เ, เพื่อขัดเกลความเดนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวของเราให้มันเบาบางได้จริงเก่งและอีกประการหนึงการทอดกรถินสมัยนี้เป็นกรถินพัฒนา ไม่ใช่กระถิญสวายพระเอาอานิสงฆ์แค่นั้นกระถิญสะท้อนทะทะกรถินวัดไหนวัดนั้นก็มีการเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอะไรไม่มีก็จะดีขึ้นไฟฟ้าไม่มีก็อาจจะมีไฟฟ้าน้ำหม้อไม่มีก็อาจจะมีน้ำหบ่ออะไรอะไรที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะชาวบ้านชาวเมืองบริจาคทรับร่วมกัน เห็นค้อใหญ่ค้อโตก็สามารถพัฒนาวัดวาศาสานาให้เจริญรุ่งเรืองได้เหมือนธาาหลังนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นด้วยปัจจัยปัจจัยปนึกกําลังกันเข้าขอพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ลนะกฐินพัฒนา สร้างวัดวากระนาให้เจริญรุ่งเรืองมันกินความกว้างมากนะถ้านางเทติเนี่ถ้าพาลานาไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่สิ้นไม่จบละสามารถเป็นบันไดขั้นต้นไปสวรรค์กับเขาได้เพราะว่าเป็นบันไดขั้นไปสวรรค์เที่ยวทองถ้าว่ามีบันไดเราจะไปได้ยังไงจะถามบึงหรือคอง ก็ต้องไต้เจ้าสะพานคำยางต่ำมาน่ยแต่ว่ามีแนวขำที่ไปได้ยังไง อ, อันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นบันไดขั้นต้นผู้จะไปสวรรค์ก็ดีจะไปพระนิพพานก็ดีต้องมีทานังเทติสะพอนให้เป็นทุนสะพอนมูลนิธิมีแล้วปบันนี้มันก็ค่อยเจริญไปข้างหน้า อันนี้ถ้าสมบูรณ์ดีแล้วข้อจาเป็นอื่นยังมีอยู่อีกข้อที่สองศีลังลักกะติข้อที่สอ ง, ส ง, คอสองนคือการชำระกายวาจาใจด้วยศีลรักษาศีลให้ได้ถ่านั่งเทตีเท่านั้นยังไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ศีลังลักกะติ รักษากายวาจาใจไม่มันเกิดโทษไม่้าตชั์ไม่ลักลับไม่ประพฤติผิดบาเวณีหรือประพฤติผิดในคมล่วงสิทธิเสรีของภรรยาสามีของผู้อื่นเล่นไห้มันได้ไม่กล่าวโป้ปหมดมดเท็จไม่กล่าวหลอกลวงตอแหลผู้ใดพูดแต่คำจริงนะ ไม่ดื่มสุราเมลัยอันนี้มันเสียวไส้นะเสียวสนหลังนะพูดไปอย่างนี้เสียวสันหลังว่าเลยนะไม่ดื่มสุราเมลัยได้เป็นการดีเพราะว่าสุรามันหวั่น ท, นทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีก็ไม่นั่นเป็นเมียทหารจะได้นับขวด เออเป็นเมียตำรวจจะได้นับแบงเออ ะ, น ะ, นะเพราะาทหารที่กินเหล้าหลายกันนับขวดก็ขายไปนละวันออาโอ้ยอันนั้นคนไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็คิดใ่ตัวเองเออไปซื้อเหล้าขวดหนึ่งคิดคำนวณดูโอ้ซื้อเหล้าขวดหนึ่งก็ตั้งกี่บาทร้อยกว่าบาทนะเล่าอย่างดีนะอนอะ ถ้าไปซื้อน้ำปลามาไหวร้อยกว่าบาทจะได้กินหลายเดือนนะเอะซื้อน้ำปลามาไว้ใส่ลงครัวไวภรรยาก็จะได้ทําอาหารอ ร, อร่อยให้ได้กินหลายหลายเดือนด้วยเงินทั้งหลายร้อยอถ้าซื้อเหล้าเรอเป็นพันสองพันกินเึื้เดียวหมดแล้วแจกกันหมดแล้วแต่ว่าควรนกองเต็มบ้านเต็มเมืองละบาทนะอ๋อ นัานเนี้ยไอ้รู้จักปัญญาใส่ปัญญาบ้างอืมออสิล น, นี่สำคัญมากอ่แล้วก็ถึงไหนแล้วตะเกี้เนี่ยต <c oughs> ามเมตุมิชาจารย์มูสาวาทไม่โปกะดหมดเทนพูดอะไรพูดความจริงทุกอย่างก็ทำให้เพื่อนผงเชื่อถือได้เป็นคนจริงเป็นคนสรั์ เพื่อนผูงทั้งหลายก็เคารพนับถือเพราะมีความสัตย์มีความจริงวันนี้ว่าเมายศหมดสง่าเมาสุราหมดสําคัญแต่เมาพานันหมดตัวอีกระวายันนี้กระไรระวังข้อนี้เมาพานันจะหมดตัวจะเล่นหวยรถเทแทงเบอร์มากๆหลายตัวเองจะไม่มีอะไรเมาผัวก็ลืมพ่อเมาเมีมยก็ลืมแม่ เมาไวก็ลืมแก่เมาก็แช่ก็ลืมกัญชาหรือมันลืมหรือเปล่าใครรุ้นะอย่าเมามากหลายให้เลิกไงละให้มันเบาบางไปบุญของเราอายุของเราก็กลางคนพข้ามาแล้วอถ้าเราไปเ ม, มาของเรานั้นแล้วมันก็จะเสียคนไปอันนี้เพราะฉะนั้นการโปกหมดหมดเท็จ ก, ก็เลิกซะ การดื่มกินทุราเมรัยก็เบาๆไ้บ้างจนตลอดยาเจ็บติดให้โทษทุกแคนเนสก็เป็นโทษทางด้านท่านทั้งหลายได้เห็นหรือเปล่าคนกินยาว่าติดยาว่าจนหลงทิถ้าจนคุ้มข้างไปจับคนอื่นไปจับเด็กลูกเล็กเด็กแดงลูกใครก็ใครจับไปเอามีดจ่จอคอไป ฆ่าไม่ได้อย่งังไนยังไงเราจะค่าทิ้งเอามาให้เรายางไงอย่างนี้นนมีมีมาแล้วมากมายทําให้เจ้าหน้าที่วุ่นวายตามตามกันไปมันเดือดร้อนหรือเปล่ามันเสียสุขภาพจิตถ้ากินเข้าไปมันติดเข้าไปแล้วสุขภาพจิตก็เสียเลยต่อไปสุขภาพกายก็ผอมโซออจอยคล่องแก้งจะเอากําลังอะไรมา ต่อสู้ฆ้าศกตรูได้ละแต่พวก ม, ม, มันทะลักเข้าไปในทหารตำรวจใครจะรับผิดชอบบ้านเมืองล่ะไม่ดีเลยเอทหารทั้งกรมทั้งกองติดยาบ้ายาเบอร์กันหมดทำหลองนี้ใครจะรับผิดชอบออความมั่นคงของชาติต่อไปล่ะตำรวจก็เหมือนกันทหารตำรวจนี่สำคัญมาก ประชาชนฝากความไว้เนื้อเชื่อใจไว้กับทหารถ้าทหารยังไปติดยาเสพติดให้โทษกินเหล้าเมามายหรืออะไรอีกแล้วกันแล้วกันเท่านั้นละจนเกิดเป็นโทษแก่ตัวเองเกิดโรคเกิดไปขึ้นมามากมายนุขภาพกิตก็เสียสุขภาพกายก็เสียใครจะรับผิดชอบความมั่นคงของบ้านเมืองต่อไปล่ะ มันไม่ใช่ของดีไม่น่าส่งเสริมเลยนะอยากจะพูดให้ฟังชัดๆเจอเกินผู้ที่จัดการปรุงยาป้าขึ้นมามอมเมาคนไทยนั่นเขาไม่ปรารถนาดีต่อเมืองไทยเมืองไทยนั่นทำยังไงก็ไม่แตกแต่ขอนจัดการขอการร้ายขึ้นทุกมุมเมืองทุกผลทุกแห่งก็งมีวิธีปราบปรามกัน ปราบปรามด้วยสัจจาวุธก็ไม่สงบมานี้ปราบปรามด้วยโครงการการุญยเทพขึ้นอ้าแขนรับที่น้องผู้หลงผิดทั้งหลายพวกเราในกําลังหลงผิดมากเพราะฉะนั้นกลับเนื้อกับตัวมามอบตัวซะมาช่วยกันพัฒนาเมืองไทยเราเถอะเมืองไทยเรายังไม่เิญอนให้มาช่วยกันพัฒนาเมืองไทยพวกเราก็เลิกกันแล้วไม่ใช่ตัดรา อาวุธแตอย่างใดเลยเลิกกันจริงๆมอบหมายถ้าตกลงแล้วก็นัดหมายที่มอบหมายกันที่นั่นที่นั่นจะไม่ใช่สัตราอาวุธประหัรประหารกันอีกแล้วเพราะเราคนตายด้วยกันโฆษณาทางโครงการการุญเทพเข้าพวกกุกการร้ายทั้งหลายอยู่ในป่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับนัดหมายให้ไปมอบที่ไหนไปมอบที่ไหน นัดหมายกันเรียวล้อยกันไหลกันออกมาจากป่านำดาบดาบอาวุธมามอบมามอบอมอบตนมอบตัวด้วยจะเอาไปกักไปขังทางนไหนก็นตามใจแต่ดาตราอาวุธทั้งหลายยกให้ไปไม่ได้ลุกลบไม่ตายกันด้วยการปราบปรามผู้ขอการล้ายเลยส ง, งบไปทั่วทุกภาคส ง, งบแล้วเรียบร้อยวันนี้ มันสงบลงอย่างนี้แล้วพวกผู้ต้องการอยากจะได้เมืองไทยไปเป็นเมืองขึ้นเขาเขาก็เสียใจมากวะเนี่ยอ๋อเราตั้งใจจะล้มประเทศไทยด้วยการข อ, อการร้ายแต่เขามีโครงการอย่างหนึ่งม่าทําให้ผู้ข อ, อการร้ายเขามาอบตัวกันหมดทานองนี่เาอายัางไงดีเอาอย่างนี้กันแล้วพัฒนาปรุงยาขึ้นเราไปขายธรรมดาเนี่ยละปุงยาขึ้นมันเป็นยา รุนแรงมากแต่เขากินเขาแล้ว ม, มันขยันจริงๆละ่ะเบื้องต้นเป็นยาขยันทำงานทำการเก่งยาม้ามันกระตุ้นประสาทให้ขยันไม่หลบับไม่นอนหน้ามั่งนะมีจริงๆแต่ว่านา น, านๆเข้ามันทำลายระบบประสาทไปในตัวทำให้ประสาทเสือเอ่อมสุขภาพกิตก็เสียสุขภาพกายก็โทรมําลองนี้ ว่าซาละลักเข้าไปในคมทหารทหารก็หมดกาําลังทหารซาระักเข้าไปทางตำรวจตารวจก็หมดกําลังอาสาสมัครได้จะ ไ, ไปติดอายาเสพติดให้ ท, ทษแล้วก็หมดประสิทธิภาพแล้วให้รับผิดชอบบ้านเมืองต่อไปอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้เขาจึงกรุงยาเข้ามาส่งเข้ามาเรื่อยๆมามอมเมาคนไทยเราถ้าคนไทยเรา เห็นว่ามันรวยจะเอาคนรวยจะเอาส่งเสริมข า, ายให้เขาเป็นลูกมือให้เขานั้นแหะเป็นทาสของเขาเลยแล้วทาสนําเงินของเขาแล้วเห็นเงินหน้ารับเห็นคําหน้าเศร้าเห็นเข้าตาโตพาโลอยากได้แตแล้วเอาที่มันไม่ดีเลยเ อ, อยากได้แล้วแต่เป็นการส่งเสริมในทางผิดทําให้บ้านเมืองเสีย สุขภาพจิตสุขภาพกายกำลังของชาติก็ลอยหลอไปไม่มั่นคงเหมือนเดิมแล้วถ้าสลักไปทางนักเรียนการศึกษาของนักเรียนจะเป็นยังไง เ, เสียไปหมดการศึกษาก็เสียอะไรก็เสียเพราะจะนั่นอย่าไปหลงเชื่อยอย่างนี้เลยขอบินดบาบเถอะขอฝากพี่น้องทั้งหลายาช่วยกันป้องกันจริงๆจังๆกันเถอะ ถ้าไม่รู้อำนาจแจความอยากและกิเลสแล้วต้องปราบให้ได้ทีเดียวละไม่ส่งเสริมมีทีไหนที่ไห น, ไหนจับได้แล้วเอาไปเผาทิ้งให้หมด อ, อย่าให้มันทะลักเข้ามาใครจะมีเงินมาปรุงมัดกังเท่าไล อ, อ่พะพอจับได้แล้วไปเผาทิ้งหมดทิ้งหมดไม่ให้มีมาขายในเมืองใดยแล้วม็ชื่อว่าป้องกันอยาเสพติดได้ทอ ได้ดีมากดังนี้พูดเรื่องทุราเมลัยนี่มันก็ควางขวังออกไปถึงยาเสบติดให้โทษดังกล่าวมานี่เองเพราะมันเป็นโทษจริงเกงเราก็เห็นกันอยู่จ้องจ้องโฆษณาทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางอะไรออกกันให้ฟังอยู่เสมอเสมอมันเป็นโทษถึงกับพ่อข้าลูกลูกข้าพ่อข้าแม่ข้ า, ขาพาี่ข่ า, ขาน้องจับ ลูกหลานทั้งหลายไปเลียกข้าไทยหรือว่าไปประกันเอ า, เอามีดจอคอไปถ้าไม่ให้สมปัานาก็ฆ่าทิ้งยิงทิ้งแทง ท, งทิ้งจ้ะการทำลองนี่มันรุนแรงขนาดไหนโอ้ยทำอย่างงี้หรือผู้ที่จะรับผิดชอบความมั่นคงของบ้านเมืองอจริงหน้าไ่กหลดสังเวชมากสิเดียวเขาก็ยิ้มทิผู้เขาปุงยามาก เห็นคนไทยทําอย่างนี้เขาก็ยิ้มพอใจตบปีนตบมือแล่ะพ อ, อกอกปอใจมันได้แล้วพวกเราได้แล้วได้ได้ทีแล้วถ้าคนไทยเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วก็พวกเราหวานเลยเล้างมือเปิบเลยคนไทยเข้าไปยึดสถานีวิทยุแห่งเดียวตรงนั้นอ๋นอกนั้นก็อยู่ในมือเราหมดจะมีอะไรว่ า, เ, าเขาก็คิดอย่างนี้โครงการยักษ์ใหญ่ เขาจะคขมือบเมืองไทยเขามีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปรู้อำนาจแจกกิเลสความอยากเล็กๆน้อยๆเล ย, เยนะ น, นี่ผมฝากหวังไว้สีลังลัคนติก็ลักษาสิ น, นีสำคัญมากอ่าเรามีสินมีธรรมแล้วไม่หวั่นไหวกับโลกกรรมใดๆทั้งนั้นใครจะมาอ่า เอาอะไรมามอมเมา อ, อย่างไรเราก็มั่นคงศีลของเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้วันไหวกับโลกกระทำใดๆทางนั้นเหมือนจะรวยล้นฟ้ากูก็ไม่เอาเพราะมันเป็นมิจฉาอาชีวะมิจฉาชีพผ้าขายผิดไม่เอาทางนั้นนะใครมันมาแล้วก็จะจับตัวให้ได้อทิอ้งลอ ก, กเลยก็ได้นี่นะมันมาแล้วก็รุงมารวยกันไปธรรมดาแต่ว่า อำเพอเผล่าก็พิกล็อกไปเลยจับเอาไปเลยไปลงโทษเลยยังไไม่ส่งเสริมอย่างนี้เรียกว่าช่วยกันป้องกันความมัน่นคงของประเทศชาติอีกด้วยประสิทธิภาพของมนุษย์ก็จะดีขึ้นอีกด้วยคนไทยก็จะดีไม่วันไม่ไหวกับโลกแล้วนี่สีลังรักษาติให้รักษาศีลให้มากๆ มันก็รวมความไปถึงยาเสพจิตจังกล่าวมานั่นภาวนานั่งภระเวตาวาเอกโจสะคังกัจเติเอกโจโมกขังกททัจเตนตสังสยามนะั่นไอ้นั่นสำคัญมากอีกอ่ไม่ใช่แต่เท่าเรื่องกินมานี่มาฝคยขาดภาวนากันทำจิตทำใจไม่ให้วันไหวตามโลกกะทำอื่นให้สงบระงับได้จริงเกอ่า จิตใจให้เอาอารมณ์มันเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่ก็เป็นภาวนาแล้วหรือว่าพิจารณาความตายพิเารณาความตายบ่อยๆเราก็จะได้กลัวต่อความตายบ้างพิจารณาเรื่องสังขารไม่เที่ยงบ้าง <c oughs> ทุกขังอันนี้จังอาณตจาก็ชัดแจ้งขึ้นมา ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่อย่างนั้นรู้จักทุกขังรู้จักอนิจจังรู้จักอนัตตาทุกขังรู้จักว่าความเป็นทุกข์เกิดมาในมนุษย์เนเป็นร่างกายที่มีมนุษย์อีกมีความทุกข์มากอนิจจังมันไม่เที่ยงรู้จักว่ามันไม่เที่ยงความโกรธก็ไม่เที่ยงความโลภก็ไม่เที่ยงความหลงก็ไม่เที่ยง ความรักก็ไม่เที่ยงความชังก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นสักครู่เดียวแว้บเดียวมันก็หายไปเท่านั้นแหละอย่าไปเชื่อตามมันเลยรู้จักมีสติยับยั้งชั่งคิดตัวเองอดกั้นทนทานไว้ได้อา่ามันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมารู้เท่าเอาทันเกิดปัญญาขึ้นมาศีลของเราดีแล้วสมาธิตั้งมัน่น ต่อไปก็เกิดปัญญารู้จักหน้าตาของกิเลสทั้งหลายายิ้มดูมันมันเกิดขึ้นมาก็ยิ้มดูมันได้ไม่ได้รู้อำนาจแก้มันแล้วถ้าพี่พี่น้องทั้งหลายาลูกเมียทั้งหลายทำผิดลูกผัวทั้งหลายทำผิดถ้าเรามีปัญญาแล้วอาจจะแก้ไขกันได้ไม่ได้วุ่นวายกันอีกแล้วมีแต่ความสุขความลมเย็น พอพอพฤถีปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเบื้องต้นทั้งทานังเทติสีลังลักติภาวนานังเขเวตาวาเอากโจสักครั้งก็จะที่เอกโจหมกครั้งก็จะตินิดครั้งแต่ยังจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาในจิตในใจแล้วต่อไปก็เกิดปัญญารู้เท่าทันสัพพสังขารทั้งหลายที่มาปรุงมาแต่ง ไม่ได้ลุ่มหลงไปตามความปงแต่งทั้งหลายโลกเกิดขึ้นเราก็รู้หน้าตามันโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้หน้าตามันความรักความชังความอิจฉาลิทิยามันเกิดขึ้นมาก็รู้เท่าทานมันตั้งเต้านำแก้งขึ้นหัวปีๆทั้งเบาๆคน็น่อยแน่นอสวาเอย เวลาหนาแจงลงเลยแจงมาวอกแง่หน่อยหวานหวานท่านเลยว่นใดประแดกกีฬาไว้ท่านเขาแล้วหนามหนาเล่ยมันขึ้นว่างั้นโอ้ได้ประแดกกีฬาไว้ใจกินเนี่ยว่าล ะ, ะจ้อยมันลงไปแล้วมันเลยแล้วไปเฉยไม่มีวิธีอะไรเอาประแดกกีฬาไว้ได้เลยเเสียหายยับเยินไปเลยอย่างนี้อแต่ว่าเวลามันขึ้นไม่บอก เวลาชีวิตร่างกายแข็งแรงอยู่มัวเมาประม า, าททาใหเา้เลินเลอ่อไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้เก็บไม่ได้ขอบไม่ได้โคยเอารักษาจิตก็ไม่ได้รักษาทําบุญให้ทานก็ไม่ได้รักษานั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้รักษาเขาไม่ได้ทํากับเขาเวลาร่างกายมันชุดสมไปแล้ว จึงมาอยากจะมานั่งสมาทธิภาวนามันมาไม่ได้สิมันจะตายแล้วเอาพุทโธเด้อพุทโธเด้อมันก็ไปไม่ได้พอหายใจใส่ท้องหายใจใส่ปอดก็ไม่อิ่มแล้วมันเหนื่อยแล้วพออย่านั่นเวลาแข็งแรงอยู่เอากขมันฟังเราเอาขมันอย่าให้มัน เ, เป็นใหญ่กว่าเราสู้ขมันในขณะที่ร่างกายยัง สุขภาพยังแข็งแรงอำนวยอยู่รีบรัดารีบเก็บจารีบขวายดารีบเก็บเรียบกรรมรีบขนขวายเอาอคุณงามความดีใส่ตัวไว้ให้มากๆเรา ก, ก็จะเป็นที่ภาคภูมิใจอบอุ่นจิตใจไม้น้อยเลยธรรมะที่แสดงมาให้ฟังเป็นปจินานาย เพื่อต้องการให้ท่านหลายนำไปไข้ควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอัญชานฉลาดของตนของตนเองเออถิดอัปมาทธรรมตั้ง อ, อกตั้งใจประพฏิบัติไปด้วยความไม่ประมาทต่อเท่นนั้นก็จะได้ประสบพบเห็นในความสุขความเจริญก้าวหน้าหายเดียวทั้งทางโลกและทางธรรม ดังที่แสดงมาก็ยุติด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการนี้ะกินกนกันนะพอนกันเถ <c oughs> อะไปเลยนะยะถาวิวะาภุราปาริภุเรนตีสะทะลังเอวเมวะอิโทติ น, นัง เป็ตานังผูปรับประดิิชิตังประจิตังตุมังคิพเมวะตมิจตุสภเวรินตุตังคปะยันโทปนละโสยถามนิชติละโสยถาสปิิโยวิวัตัญโตสัพพตุโคสัพพายโยสัพพโลโควินาจตุมาเตปวัตวันร a ายโยสุขิติ迦โยภวาอภิวาณัสิจะนิตยังุต้าเวจายโน จัตตารธรรมวันติอายุวันโอสุขังพาลังอายุ น, นั้นขอไม่ยืยืนมั่นสถาครณร้อยปีอย่ามีย่อนได้เหมือนกรนภรณาขอไม่มีผิวกายพันเลยงามรสนาห่องใสวิไลาตาทิศ ส, สอพาหน้าชมเชยอยาได้เคืองเครื่องสมองใดๆ เ, เลยขอให้มีความสุข นิราศทุกนิราศกนิราศโลกนิราศไยแสนสะเวยกะเว ย, ส, เยสิ่งใดที่ได้เคยแม้เป็นอดีตเร็ปปัจจุบันสิ่งนั้นก็อย่าละเลยเลวเสื่อมทรามขอไม่มีกําลังอนันต์มากเหลือหลายกําลังกายกําลังใจกําลังภายในกําลังภายนอกกําลังทรัพย์มีสําคัญมากและกําลังสติปัญญาสามารถอา่านรู้เท่าทัานเอุการณ์ ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเดชาส ง, ง่างามเสร็จสมตามดังปอนเดิน